ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวิยนยะสังก ะ, ะอัตถกะถาพระสารีบุตรมหาเจระชาวศีลังการเจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปรเรื่องที่ยี่สิบสองปัชชาวินิฉัยเรื่องของการบวชต่อ แม้บุคคลที่มีมือขาดเป็นต้นพิกษุก็ไม่คว si uh. รใ <antes> ห้บวชเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลที่มีมือขาดคนที่มีเท้าขาดคนที่มีทั้งมือทั้งเท้าขาดคนมีหูขาดคนมีจมูกแหวมคนมีทั้งหูทั้งจมูกแหวมคนมีนิ้วมือนิ้วเท้าขาดคนมีง่ามมือง่ามเท้าขาดคนมีเอ็นขาดคนที่มีมือเป็นแผ่น คนค่อมคนเตี้ยคนมีคอพ่อคนถูกหมายสักโทษคนมีรอยเคี้ยนด้วยหวายคนถูกออกหมายสั่งจับคนเท้าปุกคนมีโรคเรื้อรังคนมีรูปร่างไม่สมประกอบเรียกว่าปริสัตูสกะคนปัททุสายบริษัทธคนตาบอดข้างเดียวคนง้อยคนประจอกคนเป็นโรคอมพาคนมีอิริยาบทขาดคนชราทุบพวภาค คนตาบอดสองข้างคนใบ้คนหูหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้คนทั้งบอดทั้งหนวกคนทั้งใบ้ทั้งหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวกเพี้ยสูบไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชรูปนั้นต้องอบัตถุกดพึงทราบวินิจฉัยในเรื่องคนมือขาดเป็นต้นดังต่อไปนี้มือข้างเดียวหรือทั้งสองข้างของผู้ใดเป็นอวัยวะขาดไปที่ฝ่ามือก็ดีที่ข้อมือก็ดี ที่สอบคดี שלי. ส่วนในส่วนหนึ่งผู้นั้นชื่อว่าผู้มีมือขาดเท้าข้างเดียว <star> หรือทั้งสองข้างของผู้ใด <inci hurts lei> เป็นอวัยวะขาดไปที่ปลายเท้ากรดีที่พ่อเท้ากรดีที่แข้งกรดีส่วนในส่วนหนึ่งผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเท้าขาดในมือและเท้าทั้งสี่โดยประการดังกล่าวแล้วนั่นแลมือและเท้าของผู้ใดสองหรือสามหรือทั้งหมดเป็นอวัยวะขาดไปผู้นั้นชื่อว่า ผู้มีมือและเท้าขาดหูของผู้ใดข้างเดียวหรือว่าทั้งสองข้างเป็นอวัยวะขาดไปที่เง้าหูก็ดีที่ไปหูก็ดีผู้นั้นชื่อว่าผู้มีหูขาดแต่หูของผู้ใดย่อมฉี่ที่ตุ้มแห่งหูแต่เป็นอวัยวะที่อาจต่อให้ติดกันได้ผู้นั้นพึงให้ต่อหูให้ติดแล้วจึงให้บวชจมูกของผู้ใดเป็นอวัยวะแหวงวินไป ที่ดังจมูกก็ดีที่ช่องจมูกข้างเดียวก็ดีช่องจมูกทั้งสองก็ดีส่วนในส่วนหนึ่งผู้นั้นชื่อว่าผู้มีจมูกแหว่นแต่จมูกของผู้ใดเป็นอวัยวะที่อาจประสานให้ติดกันได้ผู้ น, นั้นพึงทำจมูกนั้นให้หายแล้วจึงให้บวชบุคคลที่ชื่อว่าผู้มีหูและจมูกแหวนพึงทราบด้วยอานาจแห่งอวัยวะทั้งสอง นิ้วของผู้ใดนิ้วเดียวหรือว่าหลายนิ้วเป็นอวัยวะขาดไปไม่เห็นมีเล็บเหลือผู้นั้นชื่อว่าผู้มีนิ้วด้วนแต่เล็บที่เหลือของผู้ใดแม้ประมาณเท่าเส้นได้อย่างปรากฏจะให้ผู้นั้นบวชควรอยู่ก็คือถ้าเกิดถูกตัดทิ้งายนิ้วแต่ว่าเล็บยังเหลืออยู่เลยนะอันนั้นก็ให้บวชได้ในหัวแม่มือแม่เท้าทั้งสี่นิ้ว หัวแม่มือและแม่เท้าของผู้ใดนิ้วเดียวหรือว่ารายนิ้วเป็นอวัยวะขาดไปตามานที่กล่าวแล้วนิ้วผู้นั้นชื่อว่ามีง่ามมือง่ามเท้าขาดเอ็นใหญ่ที่ชื่อว่ากันธระคือทรงร่างกายเนี้ไวเอ็นใหญ่ที่ชื่อว่ากันธระของผู้ใดเป็นอวัยวะขาดไปข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเอ็นขาดบุคคล ย่อมก้าวเดินด้วยปลายเท้าบ้างได้ส้นเท้าบ้างหรือไม่อาจยันเท้าลงตรงๆงได้ก็เพราะในเอ็นใหญ่เหล่านั้นแม้เอ็นหนึ่งขาดไปนิ้วมือของผู้ใดเป็นของติดกันเหมือนตีค้ำขาวผู้นั้นชื่อว่าผู้มีมือเป็นแผ่นที่สูบผู้ใไข้จะให้บุคคลนั้นบวชพึงผ่าหนังซึ่งมีในระหว่างนิ้วเอาหนังในระหว่างออกทั้งหมดรักษาหายแล้วจึงให้บวช แม้ผู้ใดมีหกนิ้วทิสุผู้ไข่จะให้ผู้นั้นบวชพึงตัดนิ้วที่เกินเสียรักษาหายแล้วจึงให้บวชผู้ใดจัดว่ามีร่างกายค่อมเพราะ อ, อกหรือหลังหรือสีข้างโกงผู้นั้นชื่อว่าคนค่อมแต่อวัยุน้อยใหญ่บางส่วนของผู้ใดโกงไปนิดหน่อยจะให้ผู้นั้นบวชสมควรอยู่เพราะว่าพระมหาบุรุษเท่านั้น มีพระกายตรงดังกายพรมสัตว์ที่เหลือชื่อว่าผู้ไม่ค่อมย่อมไม่มีก็มีคลอมบ้างเล็กๆน้อยคนมีขาสั้นก็นดีมีบั้นเอวสั้นก็นดีสั้นทั้งสองก็ดีชื่อว่าคนเตี้ยกายท่อนล่างตั้งแต่บั้นเอวลงมาแห่งคนขาสั้นเป็นของสั้นกายท่อนบนบริบูรณ์กายท่อนบนตั้งแต่บั้นเอวขึ้นไปแห่งคนบั้นเอว เป็นของสั้นกายท่านล่างบริบูรณ์กายทั้งสองท่อนเห็นคนสั้นทั้งสองเป็นของสั้นร่างกายย่อมกลมรอบคล้ายหม้อมีกระพุ้งใหญ่เมื่อร่างกายแห่งพูดทั้งหลายเพราะกายทั้งสองท่อนเป็นของสั้นจใจคนนั้นแม้ทั้งสามชนิดบวชย่อมไม่ควรก็คือจะสั้นส่วนบนหรือว่าส่วนล่างหรือว่าสั้นทั้งสองส่วนเลยก็ไม่ควรให้บวชที่คอแห่งผู้ใดมีพอกดังลูกฟั ผู้นั้นชื่อว่าคนขอพ่อและคำนี้สักว่าเป็นหัวข้อเท่านั้นแต่เมื่อมีพ่อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งขอร่างกายก็ไม่ควรให้บวอใใชอินิฉัยในคำว่าคละคันดีนั้นพึงสราตามในที่กล่าวแล้วในคำนี้ว่าณพิขเวปัญจหิอาพาเทหิผุดโธปพาเชตโบนั่นแหล ก็คือไม่พึงให้ผู้ที่มีอาาพาธท่าอย่างนี้บวชคำใดที่จะพึงกล่าวในคนมีรอยแผลเป็นคนถูกเคี่ยนได้ไวายและคนถูกเขียนไว้ก็คือออกหมายประกาศจับคำนั้นท่านเจ้าได้กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแหลคนมีเท้าเป็นตุ่มท่านเรียกว่าคนตีนปุกเท้าของผู้ใดอูมเกิดเป็นตุ่มแข็งผู้นั้นไม่ควรให้บวชในสมัยนี้ก็คน็นโรคเท้าชาเท้าใ ห, ใหญ่โต แต่เท้าของผู้ใด ย, ยังไม่ทันแผนเป็นของที่อาจผูกด้วยเครื่องรัดแช่ไว้ในหลุมน้ำกลบด้วยสายเปียกน้ำให้เต็มให้เหียวยุบลงจนเส้นเอ็นปรากฏและแข้งเป็นเหมือนกระบอ ก, กน้ามันกระทำเท้าของผู้นั้นให้เป็นเช่นนี้แล้วให้บวดขวรอยู่ก็ทำให้ปกติดงเดิมได้ก็ให้บวดได้ถ้าต้มนั้นเขื่อนขึ้นอีกแม้เมื่อจะให้อุปสมบท พึงทำอย่างนั้นจึงให้อุปสมบทคนน่าเกลียดไม่น่าชอบใจมีความเดือดร้อนเป็นนิดมีโรคที่รักษาไม่หายมนโรคชนิดใดชนิดหนึ่งในบรรดาโรคฤิษีดวงงอกฤิษีดวงลำไส้โรคดีโรคเสมหะโรคไอโรคหืดเป็นต้นชื่อว่าคนมีโรคเป็นผลแห่งบาปแม้บุคคลนี้ก็ไม่ควรให้บวช คนเป็นโรคฤิศดวงนอกฤิศดวงรำไส้โรคดีโรคสเตเดโรคไอประจําโรคหืนอันนี้ก็ยังไม่ควรให้บวชแต่ถ้าบวชแล้วก็เป็นค่าพิษศูนย์แต่ควรให้บวชก็ควรจะต้องถามก่อนถ้ารู้แล้วให้บวชก็เป็นอาบัติถ้าไม่รู้ไม่เป็นอาบัติผู้ใด ย, ย่อมประทุสรายบริษัทเพราะความที่ตนมีรูปแปกผู้นั้นชื่อว่าปริสัะทูสกัคือเป็นคนสูงเกินไป มีนาพีแค่ศีรักของชนเหล่าอื่นบ้างก็คือหัวของคนปกติธรรมดาก็แค่ท้องของคนเนี้ยนะเพราะนั้นก็คนนี้ก็ชื่อว่าสูงเกินไปเตี้ยเกินไปดังรูปแผ่นพูดเตีเ้ยทั้งสองท่อนบ้างก็คือทั้งท่อนบนท่อนล่างดำเกินไปคล้ายต่อที่นาถูกไฟไหม้บ้างคนดำเกินไปนี้ก็ไม่ควรให้บวชขาวเกินไป มีสีคล้ายบาททองแดงที่ขัดด้วยนมส้มและเปลยงเป็นต้นบ้างผอมเกินไปมีเนื้อและเลือดน้อยประหนึ่งร่างตายซึ่งมีแต่กระดูกเอ็นและหนังบ้างอ้วนเกินไปมีเนื้อตั้งหากมีพุงพลุยเช่นกับมหาพูดบ้างมีศีรษะใหญ่เกินไปเหมือนวางกระเช้าไว้บนศีรษะบ้างมีศีรษะหลิมเกินไปคือประกอบด้วยศีรษะเล็กนักไม่สมกับตัวบ้าง มีศีสับเป็นลอนๆคือประกอบด้วยศีรษะเช่นกับทลายแห่งผลตาลบ้างมีศีสับเรียวแหลมคือประกอบด้วยศีรษะอันสอบขึ้นไปโดยลำดับบ้างอาจจะคล้ายๆสีสับหลิงมีศีสับดังลำไผ่คือเป็นกระบอกประกอบด้วยศีรษะเช่นกับกล้องไม้ไผ่ยางเครื่องบ้างมีศีรษะเป็นง้ามบ้างมีศีสับเป็นเงื้อมคือประกอบด้วยศีรษะอันงุ้มลง ในข้างทั้งสี่ข้างใดข้างหนึ่งบ้างมีศรีรษะเป็นแผลบ้างมีศรีรษะเน่าบ้างมีผมเป็นหย่อมหย่อมคือประกอบด้วยผมที่ขึ้นในที่นั้นๆเช่นกับข้าวกล้าในกระทงนาที่สัตว์กัดกินบ้างมีศรีรษะรุ่นไม่มีผมบ้างมีผมหยาบแข็งคือประกอบด้วยผมเช่นกับแปรงตาบ้างมีผมขาวด้วยผมอันงอกแต่กาเนิดบ้างผมงอกตั้งแต่กาเนิดนี้ก็ ไม่ควรให้บวชมีผมเป็นปกติคือประกอบด้วยผมเหมือนเปลวเพลิงจับบ้างแม่จถึงว่ามีผมเหมือนกับเปลวเพลิงจับมีผมบนสีรษะเวียนคือประกอบด้วยผมขวัญทั้งหลายมีปลายชันขึ้นเบื้องบนเช่นกับขวัญในตัวโคบ้างมีขนคิ้วเนื่องเป็นอันเดียวกับผมบนสีสะัะคือประกอบด้วยน้ผาผากดังหุ้มด้วยร่างแหบ้าง คิ้วกับผมตรงพน้ากากจดกันเลยมีคิ้วติดกันบ้างไม่มีขนคิ้วบ้างมีคิ้วคล้ายลิงบ้างมีตาใหญ่เกินไปบ้างมีตาเล็กเกินไปบ้างคือประกอบด้วยตาทั้งสองเช่นกับช่องในหนังกระบือที่เขาแทงด้วยปลายมีดบ้างมีตาส่อนคือประกอบด้วยตาใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งบ้างมีวงตาดาไม่เสมอ คือประกอบด้วยวงตาดำไม่เสมอกันอย่างนี้คือข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำบ้างคนตาเหล่บ้างคนมีตาลึกคือมีลูกตาปรากฏเหมือนโป่งน้ำในบ่อน้ำอันลึกบ้างคนมีตาทะเล้นออกคือมีลูกตายื่นออกเหมือนตาแหงปูบ้างมีหูเหมือนช้างคือประกอบด้วยใบหูอันใหญ่บ้างมีหูเหมือนหนูหรือว่ามีหูเหมือนข้างขาว คือประกอบด้วยใบหูอันเล็กบ้างคนมีแต่ช่องหูคือปราบจากใบหูมีแต่ช่องหูเท่านั้นคนมีหูเจาะกว้างบ้างแต่ชนชาติโยนกไม่จัดเป็นคนประตุสายบริษัทเพราะว่าการเจาะหูกว้างนั้นเป็นประเพณีของเขาโดยเฉพาะคนเป็นโรคฤทธ์สีดวงในหูคือประกอบด้วยหูอันเน่าเป็นนิดบ้างคนมีหูเป็นน้ำหนวก คือประกอบด้วยหูมีน้ำเหลืองไหลออกทุกเมื่อบ้างคนมีใบหูตรงคือประกอบด้วยใบหูเช่นกับใบกระพาะสำหรับกรอกอาหารโคบ้างคนมีตาเหลืองเกินไปบ้างแต่จะให้คนมีตาเหลืองดังน้ำพึ่งบวชสมควรอยู่คนไม่มีขนตาบ้างคนที่มีตามีน้ำตาไหลบ้างคนที่มีตาแหบบ้างคนที่มีตาประกอบด้วยโรคยังตาให้สุข คือคนตาแฉะมีขี้ตากระดังบ้างคนนี้ก็ไม่ควรให้บวชคนมีจมูกใหญ่เกินไปบ้างมีจมูกเล็กเกินไปบ้างคนมีจมูกบี้บ้างคนที่มีจมูกบี้ก็ไม่ควรให้บวชคนมีจมูกคดเบี้ยวไปข้างหนึ่งไม่ตั้งอยู่ตรงกลางบ้างคนมีจมูกยาวคือมาตามพร้อมด้วยจมูกดังสุกรซึ่งอาจเลียด้วยลิ้นได้บ้าง คนมีจมูกมีน้ำมูกไหลออกเป็นนิดบ้างคนมีปากใหญ่คือมีเขาแห่งปากเท่านั้นใหญ่เหมือนปากแห่งกบปากกว้างส่วนปากเล็กนักเช่นกับน้ำเต้าบ้างคนมีปากอ้าบ้างคนมีปากคดบ้างคนมีริมฝีปากใหญ่คือประกอบด้วยริมฝีปากเช่นกับเกลียวปากโม้อข้าวบ้างคนมีริมฝีปากสั้นคือประกอบด้วยริมฝีปากอันไม่สามารถจะปิดฟันมิด เช่นกับหนังหุ้มกรองบ้างคนมีริมสีปากล่างหนาบ้างคนมีริมสีปากบนบางบ้างคนมีริมสีปากล่างบางบ้างคนมีริมสีปากบนหนาบ้างคนมีริมสีปากแหวนคนมีปากมีน้ำลายไหลเสมอบ้างคนมีปากสุกแดงนับบ้างคนปากแดงจัดจัดนี้ก็ไม่ควรให้บเหมือนกันนะคนมีปากดังสัง คือประกอบด้วยเริมที่ปากข้างนอกขาวข้างในแดงจัดบ้างคนมีปากเหม็นดังทราบตบบ้างอันนี้ก็ต้องดมเหมือนกันถึงจะรู้ว่าปากเหม็นหรือไม่เหม็นแต่ว่าเวลาจะบวชในท่าอ้าปากกล่าวคําขอบวชในคงทราบได้ถ้าปากเหม็นจัดคนมีฟันใหญ่คือประกอบด้วยฟันเช่นกับสัตว์มีแปดซี่บ้างคนมีฟันดังอสูรคือมีฟันล่าหรือว่าฟันบนออกนอกปากบ้าง ก็คุอมีขี่อนส่วนฟันของผู้ใดเป็นของอาจปิดด้วยริมฝีปากเมื่อพูดเท่านั้นจึงปรากฏเมื่อไม่พูดไม่ปรากฏจะให้ผู้นั้นบวชสมควรอยู่คนมีฟันเน่าบ้างคนไม่มีฟันบ้างฟันหลอทั้งหมดนี้ก็ไม่ควรให้บวชแต่ในระหว่างฟันของผู้ใดมีฟันซี่เล็กดังฟันกระแตจะให้ผู้นั้นบวชสมควรอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยากหรอกเพราะว่ามีฟันปลอม เขาก็ใส่เป็นปลอมกแล้วก็มาบวชไดคนมีคางใหญ่คือประกอบด้วยคางดังคางแห่นโคบ้างคนมีคางยาวบ้างคนมีคางเฟสก็คือคางคดคือประกอบด้วยคางอันสั้นนักดัางหดหายเข้าในบ้างคนมีคางหักบ้างคนมีคางคดบ้างคางเฟสคือคางหดตประกอบด้วยคางอันสั้นนักคนไม่มีหนวดและคราว คือมีหน้าคล้ายนางพิษุณีบ้างเหมือนกับเคยคนมีคอยาวคือประกอบด้วยคอเช่นกับคอนกอย่างบ้างคนมีคอสั้นคือประกอบด้วยคอดังหดหายเข้าไปข้างในบ้างคนมีคอง้ํหลงบ้างคนมีจงอยไหลอันลูบ้างคนไม่มีมือบ้างคนมีมือข้างเดียวบ้างคนมีมือสั้นเกินบ้างคนมีมือยาวเกินบ้างคนมีอกหักบ้าง ไม่ใช่อกหักเพราะว่าแต่รักผู้หญิงแล้วก็ไม่รักตอบแต่หมายถึงหน้าอกเนี่ยมันหักมันงมเข้าไปคนมีหลังหักบ้างคนมีตัวเป็นคุ ธ, ธราชบ้างมีตัวเป็นลำลาบ้างมีตัวเป็นหิดบ้างมีตัวเป็นเหมือนเฮียคือมีผงร่วงจากตัวดังเฮียบ้างก็เรียกว่าสะเก็ยเงินนี่ยนะมีสะเก็ยบร่วงออกมาจากตัวเนี่ย ก็แลคคำว่ามีตัวเป็นคุธราาเป็นต้นทั้งหมดนั้นครับเจ้าหมายอารคที่ทำกายให้มีรูปแปลกกล่าวแล้วด้วยอำนาจแห่งปริสะดูสกะสะัสับก็คือบรรทุต ร, ร้ายบริตัอันมีความกว้างตัวนในวินิจฉัยในคำนี้ผู้ศึกษาคุณทราบโดยในที่กล่าวแล้วในอภภาษ้าชนิดนั่นแลคนมีบั้นเอวหกบ้างคนมีตะโพกใหญ่คือประกอบด้วยเนื้อตะโพกอันสูงเกินไป เช่นกับกระพุ่มแผงเตาบ้างคนมีขาใหญ่บ้างคนมีอันธะใหญ่บ้างคนมีเข่าใหญ่บ้างคนมีเข่าเบียดกันบ้างคนมีแข้งยาวคือมีแข้งเช่นกับไม้เท้าบ้างคนมีท้าพิการคือไปตามฝางบ้างคนมีเท้าบิดไปข้างหลังบ้างคนมีปลีน้องเป็นปั้นสูงบ้างคนมีปลีน้องเป็นปั้นสูงนั้นมีสองชนิดคือ ก็กอบด้วยปรีแข้งใหญ่งอกย้อยลงภายใต้ก็มีโอบขึ้นเบื้องบนก็มีคนมีแข้งใหญ่บ้างคนมีก้อนเนื้อที่แข้งหนาบ้างคนมีเท้าใหญ่บ้างคนมีส้นใหญ่บ้างคนมีปลายเท้ากับส้นเท่ากันคือมีแข้งตั้งขึ้นจากกลางเท้าบ้างคนมีเท้าเกยบ้างคนมีเท้าเกยนั้นมีสองชนิดคือมีเท้าบิดเข้าในก็มีบิดออกนอกก็มี คนมีนิ้วหงิกคือประกอบด้วยนิ้วเช่นกับแง่งขิงบ้างคนมีเล็บดำคือประกอบด้วยเล็บเน่ามีสีดำบ้างคนแม้ทั้งหมดนี้เป็นคนประทุษร้ายบริษัทคนประทุษร้ายบริษัทเช่นนี้ไม่ควรให้บวชก็คือทำบริษัทให้ได้อายนะบทว่าตาโนมีความว่าคนบอดตาใสหรือคนมีจักษุประสาท อันตอมเลือดเป็นต้นกขจัดเสียก็ตามทีผู้ใดมองไม่เห็นด้วยตาทั้งสองหรือว่าข้างเดียวผู้นั้นไม่ควรให้บวชแต่ในมหาปัญ จ, จริออัจฉริยแก้ว่าคนตาบอดข้างเดียวเรียกว่าการนณะ์คนตาบอดสองข้างสองเคราะห์ด้วยอันทะกันทังก็แปลว่าบอดมาถึงบอดสองข้างการณ์หมายหนึ่งบอดข้างเดียวในมหาอัจฉริยะแก้ว่า คนบอดแต่กำเนิดเรียกว่าอันทะคือคนบอดเพราะเหตุนั้นคาแม้ทั้งสองย่อมถูกโดยปริยายคนมือง่อยก็ดีคนเท้าง่อยก็ดีคนนิ้วง่อยก็ดีชื่อว่าคนง่อยบรรดาอวียวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นเหล่านั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใดงอปรากฏผู้นั้นชื่อว่าคนง่อยชื่อว่าคนกระจอคือคนเข่าพับก็ดี คนแข้งหักก็ดีคนมีอุ้งเท้าคดก็มีเท้าหักตรงกลางคือเดินด้วยหลังเท้าท่อนกลางก็ดีคนมีปลายเท้าพับก็มีเท้าหักปลายหรือเดินด้วยหลังเท้าท่อนปลายก็ดีคนเดินขยิงเฉพาะด้วยปลายเท้าก็ดีคนเดินขย็งด้วยส้นเท้าท่อนปลายก็ดีคนเดินขยิบด้วยส่วนนอกของเท้าก็ดีคนเดินขยิบด้วยส่วนในแห่งเท้าก็ดี คนเดินขยเเยด้วยหลังเท้าทั้งหมดเพราะมีข้อเท้าทั้งสองหักตอนบนก็ดีคนชนิดนี้แม้ทั้งหมดเป็นคนกระจอกแท้ไม่ควรให้บวชมือข้างหนึ่งก็ดีเท้าข้างหนึ่งก็ดีตัวซีบหนึ่งก็ดีของผู้ใดไม่นำความสุขมาให้ผู้นั้นชื่อว่าผู้ชาไปแถบหนึ่งพวกที่เป็นอ ม, กอมตกอมภาสุนิชคนเปรีย้ยเรียกว่าคนเอริยาบทคา คนธุรพลเพราะความเป็นผู้ชราไม่สามารถจะทําแม้ซึ่งกรรมมีการย้อนจีวรของตนเป็นต้นชื่อว่าคนชราคนชราธุรพลบินตาบัดทำกิจวัตรอะไรไม่ได้ก็ไม่ควรให้บวชแต่ว่าถ้ายัางสามารถทํากิจวัตรสามารนบินต า, าบัดได้กระบวชได้ส่วนผู้ตายเป็นคนแก่แต่ยังมีกําลังอาจประทับประคองตนผู้นั้นควรให้บวชคนตาบอดแต่ตำรวจจะ เ, เรียกว่าคนบอด ความเปล่งวาจาของผู้ใดเป็นไปไม่ได้ผู้นั้นชื่อว่าควนใบ่แม้คาพูดของผู้ใดเป็นไปได้แต่ไม่สามารถจะกล่าวสารณคมให้บริบูรณ์จัให้ผู้พูดไม่ชัดแม้เช่นนั้นบวชย่อมไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวสารนคมไม่ถูกต้องตามอักษรฐานกรนะก็ไม่เป็นสัมเนธกรป่วยกล่าวถึงพระก็ว่าถ้าสัมเนธนี้ต้องกล่าวถูกต้องทั้งสองฝ่ายก็คือ ทั้งผู้ที่จะขอบวช ด, ด้วยแล้วก็ผู้ที่ให้สัรณคมด้วยแต่ว่าถ้าเป็นพระภิกษุนี่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมวาจาส่วนประกาศเท่นั้นผู้ขอนี่ไม่ได้ใดถ้าพูดไม่ชัดอย่างนี้ก็ไม่ควรจะให้บวชเหมือนกันส่วนผู้ใดสามารถจะว่าเพียงสัรนคมให้บริบูรณ์ได้จะให้ผู้นั้นบวชย่อมควรผู้ใดฟังไม่ได้ยินด้วยประการทั้งปวงผู้นั้นชื่อว่าคนหนวก ส่วนผู้ใดฟังเสียงดังจึงได้ยินจะให้ผู้นั้นบวชย่อมควรคนพิการมีคนทั้งบอดทั้งใบเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยอานาจแห่งโทษสองชั้นก็คือทั้งบอดทั้งใบด้วยหรือว่าทั้งบอดทั้งหนวกแล้วแต่หรือว่าสามชั้นเลยทั้งบอดทั้งหนวกทั้งใบก็บรรชาของชนเหล่าใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแม้อุปสมบทของชนเหล่านั้นก็เป็นอันทรงห้ามด้วย แต่ถ้าสงให้คนประสุดส้ายบริสัทธเหล่านั้นอุปสมบทคนมีอวัยุวะบกพร่องแม้ทั้งหมดมีคนมือขาดเป็นต้นก็เป็นอันอุปสมบทมด้วยดีแต่การรบสงและอาจารย์กับอุปชาไม่พ้นอาบัตกก็คือต้องอบัติบวชแล้วก็เป็นอันบวชแต่ว่าคนบวชเมื่อรู้อยู่แล้วยังให้บวชก็เป็นอบัติทุกอดคนบวชก็เป็นพระไปในที่นี้แสดงบรรพชากับอุปสมบทขดยาม วันชาตก็ควรจะต้องเป็นของสมณเณรไปอุสมบทก็เป็นของพระภิกตรอันหนึง่งอะภพัภพภะบุคคลสิบเอ็ดจำพวกก็คือบุคคลที่ไม่ควรจะการบรรลุธรรมสิบเอ็ดจำพวกก็คือบรนดาลหนึ่งหมายถึงกระเทยอุปโตวิญญชนกหนึ่งหมายถึงคนที่มีสองเพศในคนเดียวกันเถยอสังวาสหนึ่งหมายถึงคนที่ขโมยความเป็นอยู่ร่วมกัน ลงอบโบสถทำปรานาสังฆกรรมร่วมกันคนที่เข้ารีดเดรัถีหนึ่งก็ไปเข้าลัทธิเดรัถีภายนอกสัรเดชะหนึ่งคนผู้ฆ่ามารดาหนึ่งคนผู้ฆ้าบิดาหนึ่งคนผู้ค้าพระอาหารหันต์หนึ่งคนผู้ทาโลหิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ห่อหนึ่งคนผู้ทาสังฆเพศหนึ่งคือทำลายสง คนผู้ประทุสร้ายนางภิจุนีหนึ่งก็คือของขืนหรือว่าเสพไปทุนกับนางพิษุณีจกเป็นผู้ไม่สมควรให้บวชการบรญชาอุปสมบทของชนเหล่านี้ย่อมไม่ขึ้นคือบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระบาลีว่าดูก่อนภิสุตธทั้งหลายอนุสัมบัญ์ที่เป็นบันดาลพิสุทิไม่พึงให้อุปสมบทรั้นอุปสมบทแล้วถึงให้ชิปหายเสีย ลิงค่านาสนะก็คือให้สึกไปดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบันดาะเป็นต้นภิสุไม่พึงให้บันดชาไม่พึงให้อุปสมบทครั้นรู้อยู่ยังให้บันดชาให้อุปสมบทย่อมต้องอาบัตทุกกฎแม้ไม่รู้ให้บันดชาไปแล้วให้อุปสมบทไปแล้วรู้ทีหลังพึงให้นาสนะด้วยลิงค่านาสนะถ้ารู้ทีหลังก็ต้องให้สึกเหมกั น, กน แต่ว่าสำหรับบันะคือพวกกระเทยอนี้จะมีห้าชนิดไม่อภภาพบุคคลเหล่านั้นคาว่าบันะได้แก่บัน덧ห้าชนิดคืออาสิตะบัน덧หนึ่งอุสุยะบัน덧หนึ่งโอปกะมิกะบัน덧หนึ่งปักขะบัน덧หนึ่งนปุงสกัดบัน덧หนึ่งในบัน덧ห้าชนิดนั้นบันะใดเอาปากอมอง์ชาติของชายเหล่าอื่น ถูกน้ําอสุจิรดเอาแล้วความเร่าร้อนจึงสงบไปบรนดะนี้ชื่อว่าอาสิตะบันดะอสิตะก็แปลว่ารดรดน้ําอย่างเนี้ยฝ่ายบรันดะใดเห็นอาัาจฉาริยานของชนเหล่าอื่นเมื่อความริษยาเกิดขึ้นแล้วความเร่าร้อนจึงสงบไปบรนดะนี้ชื่อว่าอุตสุยะบรนดะก็คือชอบดูอาัาจฉารย์คนอื่นเขาประพฤติเสก เ, เ, เมตุนอะไรกันแล้วก็ทําให้ หายความเรร้อนได้บรนดอดใดมีอวัยวะดังพื่ทั้งหลายถูกนําไปตาดแล้วคือถูกเขาตอนเสร็จแล้วด้วยความพยายามบรนดอดนี้ชื่อว่าโอปกะมิกะบันดอดก็คือพวกขันธีทั้งหลายถูกตัดอวัยวะเพศก็กลายเป็นบันดอดไปส่วนบางคนข้างแรงเป็นบันดอด้วยอนุภาพแห่งอากุศลวิบากแต่ข้ามขึ้นความเรร้อนของเขาย่อมสงบไป นี้ชื่อว่าปักขาบันดอปักขาบันดอกก็คือเป็นบันดอเฉพาะปากเท่านั้นเองเป็นตอนข้างแรงข้างขึ้นก็กลับมาเป็นปกติเหมือนธรรมดาแต่ว่าข้างแรงต้องมีความรู้สึกที่ปกติไปลายเป็นบันดอไปส่วนบันดอใดเกิดมาไม่มีเพศไม่มีภาวะรูปในปฏิสนธิ ท, ทีเดียวคือไม่ปรากฏว่าชายหรือหญิงมาแต่กําเนิดบันดอหนี้ชื่อว่าหน้าปุงสกปร บ, บันดอ ก็คือไม่ปรากฏภาวะรูปเลยแล้วภาวะรูปนี้ไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเลยนะแต่ว่าบุคคลนี้ก็ต้องมีอาการของความเป็นชายเป็นหญิงบ้างแหละแต่ว่าไม่มีภาวะรูปซึ่งก็รู้ได้ไม่ง่ายรู้ได้ยากในบรรดาลห้าชนิดนั้นอาสิตะบรรดาลและอุตสุยบะบรรดาลไม่ห้ามบรรดลชามะครูนี้บอกแล้วว่าบรนชานี่เป็นสมณเณรในอุปสมบทจึงเป็นพิษุตรงนี้ควรจะพิจารณา ส่วนสามชนิดนอกนี้ห้ามก็คือประเภทที่อมอวัยเพศแล้วน้ำตริรถเอาแล้วก็หายความเร่าร้อนเรียกว่าอาอกกอสิตาบันดะกับอุศุยะบันดะชอบแอบดูอัจฉรย์ของคนอื่นเมื่อเห็นแล้วก็ทําให้ความเร่าร้อนหมดไปเรียกว่าอุศุยาบันดะไม่ห้ามบรรดาชาก็คือให้บวชเนนได้ส่วนสามชนิดนี้ห้ามในอันตถกถาชื่อกุรุนทีแก้ว่าแม้ในบันดะสามชนิดนั้น สำหรับปักขะบรรดห้ามบรรประชาแก่เขาเฉพาะปักที่เป็นบรรดาศเท่านั้นแต่วันในพระบาลีพุทธพจน์บอกว่าอนุสัมปันที่เป็นบรรดาศ์เป็นกระเทยที่สูบไม่พึงให้อุปสมบทก็คือห้ามบวชพระคณะในอุปสมบทแล้วพึงให้ชี้ผายเสียก็คือให้ศึกเลยนี่เป็นบาลีพุทธพจน์ห้ามอุปสมบทแต่ว่าในอัจฉริยก็แสดงว่าพระชนนบ์บรรดาศเป็นต้นที่สูบไม่พึงให้บรรพชา ไม่พึงให้อุปสมบทก็คือบวชเนนก็ไม่ควรบวชพระก็ไม่ควรถ้ารู้อยู่ยังให้บรรปชายังให้อุปสมบทย่อมต้องอมาตุกฏกแม้ไม่รู้ให้บรรปชาไปแล้วให้อุปสมบทไปแล้วรู้ที่หลังพึงให้นาสนะด้วยลิงค์ะนาสนะแต่ว่าก็ยังมีแยกนะว่าถ้าสงประเภทแรกคืออาชิตะบันเดะ ก, กับอุตุยาบันเดเนี่ยไม่ห้ามบรรชาก็คือบวชเนรได้ส่วนนอกนี้ห้าม อันนี้ก็น่าจะพิจารณาเพราะว่าเข้าใจว่าบรรพชาประุบสมบทเนี่ยเป็นอันเดียวกันแต่ว่าในอริยธรรนี้ก็มีแยกถึงกันอย่างเช่นเรื่องของบุคคลที่มีอวัยุวะพิการทั้งหลายท่านบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ด้วยอำนาจแห่งโทษของฉันก็คือคนบอดคนป้ายต่างๆเหล่านั้นแล้วก็บรรพชาของชนเหล่าใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแม้อุปสมบทของชนเหล่านั้นก็เป็นอันทรงห้ามด้วย เพราฉะนั้นบรรชานี่ก็ควรจะต้องเป็นของสัมมณีนิปปนมบดก็ควรจะต้องเป็นของพระพิสุเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าบัญชาอุปนมบทนั้นเป็นอันเดียวกันอันนี้ก็ไม่ตรงกับปารักฐาตรงนี้ต่อไปคําว่าอุปตโตพยัญชนบ ค, คือนิมิตเครื่องปรากฏที่ตั้งขึ้นเพราะกรรมไปถึงอวัยวะเพศเนี่ยทั้งสองอย่างคือเพราะกรรมเป็นเหตุยังอิทธินิมิตให้เกิดขึ้นหนึ่งเพราะกรรมเป็นเหตุยังปุริสานิมิต ให้เกิดขึ้นหนึ่งก็คือมีอวัยวะเพศของอีกด้วยของชายด้วยของบุคคลนั้นมีอยู่เพราะเหตุ น, นั้นบุคคลนั้นจึงชื่อว่าอุปโตพยัญชนกอุปโตพยัญชนกมีสองอย่างก็คือสตรีอุปโตพยัญชนกหนึ่งบุรุษอุปโตพยัญชนกหนึ่งในสองชนิดนั้นอิทถินิมิตของสตรีอุปโตพยัญชนกปรากฏปุริษสนิมิตเป็นของปกปิด บริสานิมิตของบุรุษอุปโตพจัญชนกปรากฏอิถินิมิตเป็นของปกปิดถ้าเป็นสตรีอุปโตพยัญชนกเนี่ยอวัยวะเพศหญิงเนี่ยจะปรากฏแต่ว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยจะปกปิดไว้เมื่อมีความต้องการเมื่อไหร่ถึงจะมีอวัยวะเพศชายปรากฏถ้าต้องการร่วมกับสตรีส่วนบุรุษอุปโตพยัญชนกเนี่ยอวัยวะเพศของชายจะปรากฏอยู่ แต่ว่าอวัยวะเพศของหญิงปกปิดไว้เมื่อมีความต้องการจะเสเปถุนกับชายเมื่อไหร่ภูเะเพศของหญิงจึงจะปรากฏบริษานิมิตของบุรุษอุปตูัญญชนกนกจะปรากฏแต่ว่าอิทธินิมิตเนี่ยเป็นของปกปิดเมื่อสตรีอุปตูปัญญชนกทําหน้าที่ของบุรุษในสตรีทั้งหลายอิทธินิมิตย่อมเป็นของปกปิดก็คือปปติแล้วเนี่ยอิทธินิมิตนี่เปิดเผยอยู่ มีแต่อวัยเพศของหญิงอวัยะเพศชายปกปิดไว้ไม่มีแต่ว่าเมื่อไหร่จะไปร่วมกับสตรีทั้งหลายปุริสานิมิตก็จะปรากฏอวัยวะเพศชายปรากฏอวัยวะเพศหญิงก็หายไปเมื่อบุรุษอุปตโตประจันชนบเข้าถึงความเป็นสตรีสําหรับพวกบุรุษไปายถึว่ากลายเป็นหญิงไปปุริสานิมิตก็มีของปกปิดไปอิถีนิมิตก็จะปรากฏแทนอันนี้ก็เป็นความแปลกประหลาดเรื่องหน้าของกรรม เหตุซึ่งทาให้ตการแห่งอุปโตพยัญชนะกทั้งสองชนิดนั้นดังนี้คือสตรีอุปโตพยัญชนะกมีคันเองด้วยให้สตรีอื่นมีคันได้ด้วยก็เป็นสตรีอุปโตพยัญชนะกตัวเองก็มีคันเองก็ได้แล้วก็เมื่อไปเสดเจถุนกับหญิงอื่นเมื่อตัวเองกลับเป็นบุรุษเนี่ยก็ทําให้หญิงอื่นมีคันได้ด้วยส่วนบุรุษอุปโตพยัญชนะกมีคันเองไม่ได้ แต่ให้ส ต, ตรีอื่นมีคันได้ก็คือตอนเองตอนเป็นบุรุษก็เสดเมียทุนกับหญิงอื่นให้หญิงอื่นมีคันได้แต่พอตัวเองกลับเป็นสตรีให้ชายอื่นมาเสดด้วยก็ไม่สามารถมีคันได้อันนี้การจะเป็นไปได้ว่าถ้าสตรีอุปตโตปยันญชนกเนี่ยจะมีมดลูกมีรางไข่มีมดลูกในตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นบุรุษอุปตโตวิจันญชนก็ไม่มีมดลูกไม่มีรางไข่เพราะฉะนั้นท้องไม่ได้ ก็บรระชาอุปสมบทย่อมไม่มีแก่อุปโตปยญนชนกแม้ทั้งสองนี้บวชในเลนก็ไม่ได้บวชพระก็ไม่ได้คําว่าเทยักสังวัสกะคือเทยักสังว่าสามชนิดได้แก่คนรักประเภทหนึ่งคนรักสังวาสหนึ่งแล้วก็คนรักทั้งสองอย่างคือลักทั้งเพศด้วยลักสังวาส ด, ด้วยลักเพศก็คือปลอมบวชรักสังวาสก็คือเข้าไปร่วมธทำสังฆธรรม ด้วยสามชนิดนั้นผู้ใดบวชเองแล้วไปวัดที่อยู่ไม่นับพรรษาแห่งพิกษุไม่บินดีการกราบไหว้ตามระดับผู้แก่ไม่ห้ามด้วยอาสนะไม่เข้าในสังฆกรรมมีอุโบสถและปะวารณาเป็นต้นผู้นี้ชื่อว่าลักแต่เพศคือลักเพศพิกษุนั่นเองเพราะเขานักแต่เพียงเพศเท่านั้นฝไฟผู้ใดเป็นสามเณรซึ่งบวชแต่พิกษุทั้งหลายแล้วไปต่างถิ่น กล่าวเทศนับปรรษาเหตุที่สุว่าข้าพเจ้าสิบปรรษาหรือข้าพเจ้ายี่สิบปันสาพึงยินดีการไหว้ตามลำดับผู้แก่ห้ามด้วยอาสนะเข้าในสังฆรมมีอุโบสถและปรณาเป็นต้นผู้นี้ชื่อว่าคนรักสังวาเพราะเขารักแต่เพียงสังวาเท่านั้นสังวามีหมายถึงการอยู่ร่วมกันแม้แต่แก่อยู่ร่วมด้วยอุโบสถปรณาสังฆรมตัวนี้เรียกว่าสังวา อันความต่างแห่งกิริยาแม้ทั้งปวงมีการนับภาษาแห่งพิธุเป็นต้นผู้ศึกษาควรทราบว่าสังว่าในอันนี้ตั้งแต่เริ่มนับภญษาไปแล้วก็ทำอุโบสถปรนนาสังสงกรมทต่างๆที่ว่าสังว่าแม้ในบุคคลผู้ลาสิกขาแล้วปฏิบัติอยู่อย่างนั้นด้วยคิดว่าใครๆย่อมไม่รู้จักเราก็มีในนี้เหมือนกันจะเป็นสำเนีนก็ตามหรือว่าคนที่ นาศิขาแล้วเอาพ้าจิวรมาใส่แล้วไปนับพรรษาแล้วก็เข้าสังฆก ร, รรมต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนรักสังวาสส่วนผู้ใดบวชเอาเองแล้วไปวัดที่อยู่นับพรรษาแหว่ยพิกษุยินดีการไหว้ตามลำดับผู้แก่ห้ามด้วยอาสนะเข้าในสังฆกรรมมีอุโบสถและปรณาเป็นต้นผู้นี้ชื่อว่าคนรักทั้งสองก็คือรักทั้งเพศด้วยรักทั้งสังวาส ด, ด้วย พราเหตุที่ตนรักทั้งเพศและทั้งสังวาคนถยยะสังวาทั้งสามชนิดนี้เป็นอนุสัมปันธ์ไม่ควรให้อุปสมบทถ้าเป็นอุปสมบัทควรให้สึกเสียและขอบวชอีกก็ไม่ควรให้บวชอันนี้ก็ให้เป็นประดาชิกไ ป, เ, ปเลยอันนี้แรงมากเหมือกันถ้าเป็นอนุสัมปันธ์หมายถึงว่าถ้าเป็นเครืหัสอยู่หรือว่าเป็นสัมเนันธอยู่แต่ว่ามาปลอมบวช หรือว่ามานับภาษาโกงถ้าปลอมบวชก็เรียกว่ารับเทศถ้ามันนับภาษาโกงแล้วก็มาเข้าอุโบสถปรณ น, น่าพวกนี้ก็เรียกว่ารับสังว่าถ้าเป็นพระทิฏุนับรรษาโกงหนูประสัมบัญเนี่นะนับภรษาโกงอันนี้ก็ให้ศึเกเลยนะถ้าขอบวชอีกก็ไม่ให้บวชเพื่อความไม่งมงายในเทียสังวาส ก, กาธิการนี้ก็คือเรื่องของการรับสังว่า พึงทราบบทปกินกะนี้ว่าก็มียาวพอสมควรซึ่งเราไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเป็นผู้ที่ซื่อตรงเป็นผู้ที่มีสัจจะรับสัจจะความจริงอบรมเจริญศีลธรามที่ปัญญาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเป็นสัจจะความจริงของพระอริยทั้งหลายโดยทั่วกันเทิอนสาธุสาธุสาธุ